เจรานพรท่านผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่12พฤศภาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาประกอบคุณงามความดีเสริมสร้างความสวยงาม ให้กับชีวิตจิตใจของตนเองด้วยการทำบุญตักบาตรด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะความสวยที่แท้จริงนั้นต้องสวยที่จิตใจไม่ได้สวยที่ร่างกายความสวยที่ร่างกายไม่จีรังถาวร ต่อให้เราแต่งให้เราเสริมมากน้อยเพียงไรไม่นานมันก็เสื่อมหมดไปสู้การเวลาไม่ได้เพราะร่างกายอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตามีการเปลี่ยนแปลงถ้าไปหลงยึดติดอยากให้จะให้สวยให้งามไปตลอด mm hmm. ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เพราะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราปรารถนากันเพราะมันไม่ได้เป็นตัวเราไม่ได้เป็นของเรานั่นเองส่วนที่เป็นส่วนที่เราสามารถสร้างให้สวยงามให้อยู่กับเราไปตลอดได้ก็คือความสวยงามทางจิตใจความสวยงามทางจิตใจนี้ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันสลายไม่มีวันหมดไป ถึงแม้ร่างกายจะแก่เท่าดูไม่สวยไม่งามแต่ถ้ามีความสวยงามในจิตใจแล้วก็จะเป็นที่รักที่ชื่นชมยินดีของผู้อื่นเพราะความสวยงามที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้อื่นได้อย่างแท้จริงก็คือความสวยงาม ทางด้านจิตใจนี้เองคนเราจะมีความสวยงามอยู่สองประเภทด้วยกันสวยกายและสวยใจเปรียบเป็นดอกไม้ก็สวยทั้งรูปและหอมมีกลิ่นหอมเรียกว่าสวยสวยทั้งรูปและมีกลิ่นหอมถ้าแบ่งคนเราตามประเภทของดอกไม้ ก็จะมีอยู่สี่ประเภทด้วยกันดอกไม้ก็มีชนิดที่รูปสวยกลิ่นหอมรูปสวยกลิ่นไม่หอมรูปไม่สวยแต่กลิ่นหอมและรูปที่ไม่สวยและกลิ่นไม่หอมนี่คือดอกไม้สี่ชนิดด้วยกัน คนเราก็เป็นเหมือนกับดอกไม้สี่ชนิดนี้คือมีชนิดที่สวยทั้งรูปสวยทั้งใจสวยแต่รูปแต่ใจไม่สวยรูปไม่สวยแต่สวยที่ใจและไม่สวยทั้งรูปไม่สวยทั้งใจคนเรามีอยู่สี่ประเภทด้วยกัน เราพิจารณาดูตัวเราเองว่าเราอยู่ในประเภทไหนถ้าเป็นประเภทที่สวยสวยทางใจก็ควรที่จะเสริมสร้างความสวยให้มากยิ่งขึ้นไปถ้าไม่สวยทางใจก็ควรที่จะเสริมสร้างขึ้นไปเช่นเดียวกันเพราะใจนี้เราสามารถเสริมสวยได้ อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีอายุมากมีอายุน้อยไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นสาวเป็นคนแก่เท่าชราความสวยทางใจนี้เราเสริมได้ตลอดเวลาส่วนความสวยทางกายเป็นความสวยที่ไม่จีรังถาวร เสริมอย่างไรไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสริมไปเช่นตอนเช้าก่อนเราออกจากบ้านเราก็อาบน้าอาบท่าแต่งหน้าทาปากหวีผ้าหวีผมใส่เสื้อผ้าที่สวยงามก็เรียกว่าเป็นการเสริมสวยอย่างหนึ่งพอตกเย็นกลับไปบ้านหน้าตาก็ห่อหี่มีเหงื่อใครมีฝุน่นมีอะไร เปื่อนติดตัวไปความสวยที่เป็นเหมือนตอนเช้าก็หายไปเหลือแต่ความที่ไม่สวยเพราะนี่เป็นธรรมชาติของร่างกายจะต้องเสื่อมอยู่เรื่อ ย, เ ร, อยเราจึงต้องคอยเสริมอยู่เรื่อ ย, อยแต่ต่อให้เสริมให้มากน้อยเพียงไรการเวลาก็จะต้องเป็นผู้ตัดสิน คือเมื่อเราแก่ลงไปเราก็จะไม่สามารถที่จะเสริมได้อีกต่อไปแต่ใจนี้ไม่ได้แก่ไปกับการกับเวลาไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่ได้แก่ไปกับร่างกายใจนี้ที่เราเสริมให้สวยนี้ก็จะสวยอยู่ขึ้นไปเรื่อยๆถึงแม่ร่างกายนี้จะแตกดับไป ความสวยของใจก็ไม่ได้สูญหายไปจากใจไปเกิดในพบหน้าชาติหน้าก็จะทำให้ได้ความสวยทั้งทางกายและทางใจเพราะอนิสง์ของความดีงามที่สร้างความสวยงามให้กับจิตใจนี้มีผลต่อร่างกายในพบหน้าชาติหน้า อีกด้วยคือถ้าเราได้ทำความดีเช่น ท, ทำบุญทำทานรักษาศีลอยู่เรื่อยๆ เ, mm hmm. เวลาที่เราไปเกิดพบหน้าชาติหน้าเราจะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามกว่าชาตินี้และก็จะมีความสุขความสบายมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากกว่า ที่เป็นอยู่ในชาตินี้นี่เป็นอนิสง์ของการเสริมความสวยงามทางทางใจเราจึงควรให้ความสำคัญกว่าการเสริมสวยความงามทางร่างกายร่างกายก็ต้องดูแลไม่ให้ดูแล้วอ่าสกรปรกหรือไม่น่าดู ก็ต้องมีการอาบน้ำอาบท่าหวีผ้าหวีผมเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับร่างกายไม่ต้องไปใช้เครื่องสำอางไม่ต้องใช้เสื้อผ้าอาพรที่มีความสวยงามมาเสริมสู้เอาเวลาเอาเงินทองมาเสริมความงามทางใจจะดีกว่า เพราะถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับไปซื้อของซื้อของจริงกับซื้อของปลอมเราจะเลือกซื้ออะไรเราก็ต้องเลือกเอาของจริงไม่มีใครต้องการของปลอมฉันใดความสวยงามที่แท้จริงกับสวยงามที่ปลอมนี้ก็เป็นอย่างนั้นความสวยงามทางร่างกายนี้เป็นความสวยงาม ที่ปลอมส่วนความสวยงามทางใจนี้เป็นความสวยงามที่แท้จริงที่จะยังประโยชน์สุขให้กับเราได้อย่างแท้จริงจึงขอให้เรามั่นทำความดีกันให้เรารู้จักให้ให้รู้จักเสียสระอย่าเอาแต่ได้อย่าเอาแต่ใจของตนเองอย่าอย่าเห็นแก่ตัว เพราะจะทำให้เราเป็นคนไม่น่ารักไม่สวยงามนั่นเองความสวยงามของใจอยู่ที่การให้อยู่ที่การเสียสละอยู่ที่การไม่เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ที่ความซื่อสัตย์สุจริตส่วนความไม่สวยงามก็คืออยู่ที่การความเห็นแก่ตัวความความไม่ความตันี การความเบียดเบียนผู้อื่นทำไปแล้วย่อมไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ไม่อยากจะคบค้าสมาคมด้วยเราจึงอย่าไปหลงประเด็นอย่าไปหาความสวยงามทางร่างกายจะเสียเวลาไปเปล่าๆจะเสียชาติเกิดเพราะเท่ากับไม่ได้สร้างบุญสร้างบา ร, รมี ไม่ได้สะสมทรัพย์ภายในที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจของตนให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นพอไปเกิดชาติหน้าแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปตกนรกบ้างเพราะไม่ได้ดูแลรักษาจิตใจปล่อยให้จิตใจกลายเป็น จิตใจที่ไม่สวยงามเป็นใจของเดรัจฉานเป็นใจของสัตว์นรกนั่นเองเมื่อตายไปก็ต้องไปเป็นดังที่ใจได้ถูกเสริมสร้างให้เป็นแต่ถ้าเรามันทำความดีมีการเสียสละมีการให้มีการให้มีการไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีแต่คอย ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เรื่อยๆเวลาตายไปใจก็ได้ไปเกิดเป็นเทพหลังจากหมดบุญจากเทพก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนี่เป็นภาวะเป็นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเป็นกฎแห่งกรรมที่มีพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาบกเท่านั้นที่จะเห็นได้อย่างชัดเจน พวกเรานี้ไม่มีทางที่จะเห็นได้เลยเพราะเป็นคนเหมือนกับคนที่ปิดตานั่นเองคนที่ปิดตาจะไปเห็นอะไรได้นอกจากเห็นความมืดหรือเห็นไปตามความความจินตนไปตามเห็นไปตามจินตนาการของตนเองถ้าเห็นว่าทําบุญแล้วศูนย์ทำบุญทบาบาปแล้วศูนย์อย่างนี้เป็นตน้น คือเห็นไปตามจินตนาการไม่ได้เห็นไปตามความจริงถ้าเห็นตามความจริงแล้วต้องเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงผลของบาปและบุญก็มีจริงคือนรกสวรรค์ก็มีจริงมาผลนิพพานการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงและเกิดขึ้นจากการทําความดี หรือการกระทำความชั่วการทำบาบนี้เองถ้าเราอยากจะไปดีไปเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกได้ไปเราก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกได้ทำได้สอนให้พวกเราทำถ้าเราทำตามแล้ว เราก็จะได้ไปสู่ที่เดียวกันกับที่ท่านได้ไปเพราะท่านก็เป็นเหมือนกับผู้บอกทางนั่นเองท่านรู้ท่านรู้ว่ามีสถานที่ที่น่าไปเพราะไปแล้วจะทำให้เรามีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มมีแต่ความพอปลอดภัยจากความทุกข์ทั้งหลายท่านไปถึงมาแล้วท่านจึง บอกทางให้พวกเราถ้าพวกเรามีความเชื่อเราก็นำเอามาปฏิบัติเราก็เดินตามทางตามที่ท่านสอนไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกับที่ท่านได้ไปถึงไม่มีทางอื่นเราต้องเชื่ออย่างเดียวเท่านั้นเพราะเราเป็นเหมือนคนตาบอดนั่นเอง คนตาบอดจะไปเชื่อตัวเองได้อย่างไรเพราะไม่รู้ว่าทางอยู่ตรงไหนไม่รู้ทิศอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าเหนือว่าใตา้ว่าตะวันออกว่าตะวันตกอยู่ทางด้านไหนแล้วจะเดินทางไปสู่ทิศทางที่ต้องการไปได้อย่างไรต้องอาศัยคนตาดีคอยชี้ทางคอยนำทางให้เท่านั้นพวกเราจึงต้องฟัง คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆฟังแล้วก็เอานำไปปฏิบัติอย่างวันนี้ท่านสอนให้เราสร้างความสวยงามทางจิตใจเพราะจะทำให้เราเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีทำให้เรามีความสุขมีความเจริญทำให้เราได้ไปถึง ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงเราจึงควรทุ่มเทเวลาให้กับการเสริมสวยความงามทางใจอย่าไปเสียเวลากับการเสริมสวยทางกายเลยเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรคนที่สวยทางกายแต่ไม่สวยทางใจเป็นคนที่ไม่มีใครชื่นชมยินดี หลอกได้ก็เฉพาะคนตาบอดเท่านั้นคือคนที่เขาไม่รู้จักเราเขาเห็นเราแต่งตัวสวยงามเขาก็ชื่น อ, อกชื่นใจดี อ, อกดีใจเพราะเขายังไม่รู้ใจของเรายังไม่รู้ท่าแทของเราว่าเป็นอย่างไรถ้าเขาต้องอยู่กับเราไปแล้วเขาก็จะรู้เองเมื่อรู้แล้วเขาก็จะไม่อยากจะอยู่กับเราเราก็ต้อง ไปหาคนอื่นไปหลอกคนอื่นต่อไปด้วยความสวยงามของกายแต่ถ้าเราสวยด้วยจิตใจแล้วไม่ว่าเราจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรไม่ว่าจะมีฐานะอย่างไรจะยากดีมีจนก็ไม่สาคัญอย่างไรจะเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมยินดีเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา เช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเราไม่เคยพบไม่ไม่เคยเห็นร่างกายของท่านแต่เราได้ยินกิตติศัพที่ดีงามของท่านเราก็อดที่จะมีความชื่นชมยินดีมีความเลื่อมใสศรัทธาไม่ได้หรือพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็ไม่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามอย่างไร ท่านไม่ได้ใช้เครื่องสำอางไม่ได้ทำผมเพราะไม่มีผมจะทำท่านโกนศีรษะทุกเดือนเสื้อผ้าของท่านก็เหมือนกันทุกองค์ไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสเป็นผ้าเอามาหม่มปกปิดร่างกายเท่านั้นเองแต่กลับเป็นที่มีคนชื่นชมยินดีเลื่อมใสศรัทธาคารพนับถือ ไม่ได้เคารพนับถือที่กายแต่ที่ใจต่างหากเพราะใจของท่านมีศีลมีธรรมนั่นเองศีลธรรมนี่แหละคือความสวยงามของคนเราที่แท้จริงอย่าไปหลงกับความสวยงามที่ไม่แท้จริงความสวยงามที่จอมปลอมคือทางร่างกายเพราะไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่ง ร่างกายของเราก็จะต้องร่วงโรยไปหนังก็เหี่ยวผมก็กลายเป็นสีขาวหลือหลุดจากศีรษนไมด่ดูยังไงก็ไม่มีทางที่จะสวยงามได้แต่ทำไมพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีอายุมากๆ ก, ก, กับเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมน่าเคารพนับถือ เพราะท่านสวยที่ใจน่เองใจไม่ได้เสื่อมไปกับการกับเวลาใจของเราเป็นอาการลิโกไม่มีอายุไขเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาเขาเป็นอยู่อย่างนี้ต่างกับกายของเราที่มีขอบมีเคสเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องดับไปต้องหมดไป แต่ใจนี้ไม่ดับไปกับร่างกายใจก็เอาความสวยงามหรือความไม่สวยงาม ท, าที่เราได้สร้างไว้ในแต่ละภพแต่ละชาติไปทําให้พวกเราที่มาเกิดนี้มีความสวยงามแตกต่างกันบางคนก็สวยงามกว่าอีกบางคนบางคนก็ไม่สวยงามดังนั้นจึงขอให้เรา พยายามเสริมสร้างความสวยงามทางจิตใจด้วยการมาวัดอยู่เรื่อยๆมาให้บ่อยๆถ้ายัางมาไม่มากก็ควรที่จะมาให้มากขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะเข้าวัดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้คือวันพระนั่นเอง แต่เนื่องจากสมัยนี้วันพระไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดงานเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวันไหนที่เราหยุดงานหยุดการหยุดการทำงานเราก็ถือว่าวันนั้นเป็นวันพระของเราก็แล้วกันอย่างเช่นวันนี้เรามาวัดกันก็ถือว่าเป็นวันพระของเราเพราะคำว่าพระก็แปลว่าผู้ประเสริฐนั่นเอง วันพระก็หมายถึงการทำตัวเราให้ประเสริฐไม่ได้หมายถึงให้ไปหาพระไปขอความประเสริฐจากพระพระความประเสริฐของใครนี้ให้กันไม่ได้สอนกันได้ว่าทำอย่างไรให้ตนประเสริฐแต่จะขอจากกันไม่ได้เช่นมาขอศีลจากพระไม่ได้ศีลของใครของมันใครต้องรักษากันเอง พระเพยงเป็นผู้บอกศีลให้รู้ว่ามีอะไรบ้างแล้วคนที่รับฟังแล้วก็ต้องนำเอาไปรักษาถ้าฟังแล้วไม่นำเอาไปรักษาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรความประเสริฐอยู่ที่การกระทำของเราทางกายทางวาจาทางใจคือคิดดีพูดดีทำดี จะทำให้เราประเสริฐวันไหนที่เราคิดดีพูดดีทำดีวันนั้นก็เป็นวันพระสำหรับเราไม่จาเป็นจะต้องมาวัดเสียด้วยซ้ำไปถ้าเรารู้ว่าการคิดดีพูดดีทำดีนั้นคิดอย่างไรพูดอย่างไรทำอย่างไรเหตุที่เรามาวัดกันก็เพราะว่าเราไม่ค่อยรู้กันนั่นเอง เราต้องมาฟังเทศฟังธรรมมาฟังการบอกเล่ามาฟังการชี้ทางให้กับเราจากพระภิกษุเพราะว่าพระท่านมีหน้าที่ที่จะชี้ทางให้กับเราท่านไม่มีงานอย่างอื่นงานของท่านเมื่อบวชมาใหม่ก็คือศึกษาร่ำเรียนหาความรู้ แล้วนำสิ่งที่ตนเองได้ร่มเรียนมาประพฤติมาประพฤติปฏิบัติกับกายวาจาใจของตนจนปรากฏผลที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐขึ้นมาเมื่อเห็นแล้วว่าการกระทาการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้จิตใจดีจิตใจสวยงามจิตใจมีความสุขมีความอิ่มมีความพอ ชนะความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายได้ก็นำเอามาเผยแผ่มาสั่งสอนผู้อื่นต่อไปศัทธาญาติโยมถ้าได้เข้าหาพระสงฆ์ผู้ที่รู้จริงเห็นจริงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะได้รับสิ่งที่เลิศที่ประเสรศิฐคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว อย่างมั่นใจว่าเป็นไปตามที่ทรงสั่งสอนเวลาสอนก็สอนด้วยความมั่นใจคนฟังก็ฟังแล้วก็จะเกิดความมั่นใจตามไปด้วยถ้าผู้สอนไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติก็จะไม่รู้จริงเห็นจริงก็จะไม่สอนได้อย่างมั่นใจ คนฟังฟังแล้วก็จะไม่มั่นใจตามไปด้วยดังนั้นการฟังเทศฟังธรรมจากผู้รู้จริงเห็นจริงกับผู้ที่ไม่รู้จริงเห็นจริงจึงมีความแตกต่างกันมากอย่างเช่นในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรมเทศนามีผู้ฟังแล้วได้รับผลได้บรรลุธรรมในขณะที่ฟังเป็นจํานวนมากเพราะ พอพระพุทธเจ้าทรงสอนความจริงล้วนๆผู้ฟังฟังแล้วน้อมเอาไปพินิษพิจารณาก็สามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังเลยโดยไม่ต้องไปนั่งสมาธิไม่ต้องไปเดินจงกรมเพราะการบรรลุธรรมนี้ต้องบรรลุ ด, ด้วยปัญญาเท่านั้นถ้าฟังแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาก็บรรลุได้ แต่ในสมัยนี้พวกเราฟังเทศฟังธรรมกันมากกับพระมากมายแต่ไม่ค่อยได้บรรลุธรรมกันศักเท่าไหร่เพราะผู้แสดงก็ไม่ได้รู้จริงเห็นจริงแสดงตามไปตามจินตนาการของตนเองผิดบ้างถูกบ้างก็จึงทำให้คนฟังนั้นลังเลสงสัยไม่กล้าฟันธงลงไปไม่กล้าตัดไม่กล้าละ ความโลภความอยากความหลงต่างๆก็เลยไม่ได้บรรลุธรรมขึ้นมานี่แหละคือความแตกต่างของของผู้ผู้ที่แสดงธรรมถ้าเราเข้าหาพระที่รู้จริงเห็นจริงเป็นพระสุปฏิปันโนเราจะได้รับประโยชน์เพราะสิ่งที่ท่านสอนท่านสอนด้วยความมั่นใจเมื่อเราฟังเราก็จะเกิดความมั่นใจตาม กล้าที่จะปฏิบัติตามที่ท่านสอนกล้าที่จะเสียสละกล้าที่จะให้ทานกล้าที่จะรักษาศีลไม่เบียดเบียนผู้อื่นกล้าที่จะไปอยู่ในที่เปลี่ยวๆที่น่าหวาดกลัวเพื่อไปบำเพ็ญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสร้างความสงบให้กับจิตใจ สร้างปัญญาความรู้ความฉลาด ใ, ให้กับจิตใจแล้วจะได้บรร <c oughs> ลุร <ario> มตามลำดับต่อไปเกิดขึ้นจากการที่เราได้ยินได้ฟังธรรมจากผู้รู้จริงเห็นจริงดังนั้นเราจึงควรฝ่หาพระดีพระที่สอนธรรมะกับเราอย่าไปหาพระที่เสกที่เป่า ที่ให้เครื่องรางของขลังกับเราถ้ามันดีมันวิเศษตอนนี้พวกเราควรจะเป็นพระอารหันต์กันไปหมดแล้วแต่พวกเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่มีพระพุทธรูปอยู่เต็มบ้านมีพระห้อยคออยู่เต็มคอแต่กิเลสมันไม่กลัวเลยความโลภความโกรธความหลงมันไม่ได้เบาบางลงไปเลยมีแต่กลับจะมีเพิ่มมากขึ้นไปอีก พอห้อยพระเราก็คิดว่าจะร่ำจะรวยขึ้น น, นี่กิเลส ก, ก็เกิดขึ้นแล้วความโลภเกิดขึ้นแล้วมันสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าให้ละความโลภความโกรธความหลงเพราะความโลภความโกรธความหลงนี้มีมากน้อยเพียงไรในจิตในใจก็จะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้มากน้อยขึ้นไปเพียงนั้น ดังนั้นเราจึงต้องศึกษาจากผู้รู้จริงเห็นจริงอย่าไปคิดว่ากอนหัวห่มผ้าเหลืองแล้วจะรู้เรื่องธรรมะเสมอไปไม่รู้กันอยู่เยอะเป็นเหมือนคนตาบอดนำคนนำทางคนตาบอดวนไปเวียนมาอยู่ในวัฏัจักแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละไม่ได้ไปถึงไหนกันสักที mm. เราจึงต้อง หาพระที่ดีพระที่สอนธรรมะจริงๆพระที่ดีที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนและมีการจารึกคําสอนไว้ในพระไตรปิฎกนี่แหละถ้าเราหาพระเป็นๆไม่ได้ก็เข้าไปหาหนังสือธรรมะในะอ่านพระไตรปิฎกดูต้นฉบับความสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเราจะได้มีหลักมีเครื่องยืนยัน เวลาเราไปฟังเทศฟังธรรมของพระรูปใดรูปหนึ่งเราจะรู้ทันทีว่าท่านสอนจริงหรือไม่จริงท่านรู้จริงหรือไม่จริงเพราะเรามีเครื่องมายืนยันคือพระไตรปิฎกนี่แหละขอให้เราให้ความสนใจต่อการศึกษาแล้วนำเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติก็เราก็เท่ากับได้เสริมสร้างความสวยงาม ให้กับชีวิตจิตใจของเราทำให้เราเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีน่าเคารพนับถือน่าเลื่อมใสทำให้เรามีความสุขจึงขอฝากเรื่องความสวยงามทั้งทางทั้ ง, ท, ง, ท, งทางกายและทางใจให้ท่านนำไปพินิตพิจารณาและปฏิบัติต่อไปการแสดง ก็เห็นว่าสมควรแต่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะลโดยทั่วหน้ากัา